ซองให้เห็นว่าไม่ควรก็มีให้เห็นว่าควรก็มีและกรรมที่ควรแท้ๆท่องให้เห็นว่าควรก็มีให้เห็นว่าไม่ควรก็มีนั่นคือพุทธพจน์ธรรมวังพุทธพจน์ ท, ที่มาในประสูต์ที่เรียกว่าการจำแนกแจกแจงกรรมอย่างใหญ่หรือที่ มาจากภาษาบาลีที่ว่ามหากรร ม, มะวิพังคสุตรประสุตรนี้มาในพระสุตันตะปิดกเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่14เริ่มต้นที่ข้อ598เป็นประสุตรที่136ในมัชฌิมานิกายในแต่ละสัปดาห์ท่านฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบณ์อภิปุญโญจาก วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธ า, านีก็จะนำเรื่องราวที่เป็นแม่บทเป็นพุทธโพะเ์อย่างนี้แหละมาให้ท่านบุฟังได้ฟังกันเรื่องราวนี้ท่านบุฟังพระพุทธเจ้าจำแนกแจกแจงเรื่องของกรรมเป็นแบบละเอียดหน่อยจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ฟังเรื่องของกรรมคือการกระทํา จำแนกสัตย์ให้เลวซามหรือว่าประณีตตามการกระทำที่ทำไว้ทีนี้นั่นคือเรื่องแบบผิวเผินใช่ไหมเราจะเห็นได้ชัดเจนเอาคนทำไม่ดีก็ต้องไปไม่ดีก็ธรรมดาคนทำดีก็ได้ดีก็ธรรมดาอันนี้คือธรรมดาเรียกว่าอย่างผิวเผินทีนี้ในรายละเอียดในฝังในแบบลึกซึ้งลงไป มันจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเอ้คนทําดีนะแต่กลับไปนรกก็มีคนทําไม่ดีที่ว่าดีเมื่อสักครู่คือหมายถึงเป็นกุศลธรรมนะแต่กลับไปนรกนะแต่คนทําไม่ดีหมายถึงอกุศลธรรมนะคือสิ่งไม่ดีนะอแต่กลับไปสวรรค์ก็มีแคนี่แหละท่านผูฟัง ในพระโสดนี้เราจึงมาทำการแยกแยะแจกแจงพุทธพจน์ที่สำคัญที่สุดในบทนี้เลยท่านผู้ฟังที่กับพระเจ้าพูดมาตั้งแต่ตอนแรกนะะั่นแะว่ากรรมที่ไม่ควรส่องให้เห็นว่าควรก็มีกรรมที่ไม่ควรส่องให้เห็นว่าไม่ควรก็มีกรรมที่ควรแท้ๆส่องให้เห็นว่าควรก็มีให้เห็นว่าไม่ควรก็มีอันนี้เราจะเหมารวมหมด ทุกคนไม่ได้อันตรงนี้พระพุทธเจ้าแยกแยก่แจกแจงเอาไว้ตอนนั้นท่านอยู่ที่พระวิหารเวรุวันจำบฟังอันเป็นที่ที่พระเจ้าพิมพิสารได้มอบถวายเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาสมัยนั้นก็เป็นสมัยที่ท่านพระสมิทธิอยู่ในป่าใกลๆ้ๆกับวิหารเวรุวันนั่นแหละอยู่ในบริเวณเมืองราชฤ์ มีปริพาชคคนหนึ่งตรรมบฟังชื่อว่าโปตาริบุตรเป็นปริพาชคที่มีความรู้ความสามารถพอสมควรทีเดียวเขาก็มีความเชื่อความนับถือตามแบบของเขาเรียกว่าพวกเดรถถัจฉีเขาก็เข้าไปหาท่านพระสมิติธรรมฟังแล้วก็ได้สอบถามความรู้กันแล้วเขาก็มโนขึ้นมาละว่าอ้าวที่พระพุทธเจ้าเนี่เคยตรัสไว้่เคยได้ยินได้ฟังมานะ ว่ากายกรรมประจีกรรมเนี่ยเป็นโมฆะคือแบบไม่มีค่าไม่มีราคาแต่มโนกรรมเท่านั้นเป็นของจริงสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วจะไม่เสวยเวทนาอะไรอะไรนั้นเนี่ยมีอยู่นั่นก็ว่าอย่างนี้แล้วก็ก็มาบอกท่านพระสมิธิธิด้วยว่าก็ได้ยินพระพุทธเจ้าว่ามาว่าอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่พอมีใครพูดขึ้นมาทะวังอันนี้สาคัญเลยนะมีใครพูดขึ้นมาว่าเออ พระบริษจาบอกว่าอย่างนี้อาธรรมะเป็นอย่างนี้่งได้รับฟังมาจากครูบาอาจารย์องค์นั้นว่าอย่างนี้อย่างนจะเป็นวิชาอะไรศาสตร์แบบไหนเราฟังแล้วเนี่ยตะฟังฟังแล้วเนี่ยนะเราต้องมาตรวจสอบมาเทียบเคียงในพระวินยัยมาตรวจสอบในพระสูตรว่ามันลงกันได้เข้ากันได้กับสิ่งที่สัมมาสัมพุทธะสอนหรือไม่ ซึ่งในที่นี้ท่านพระสมิทธิถึงแม้จะบวชมาเพียง 3, สามพรรษาแต่ก็รู้หละว่าโอ๊ยอันนี้ไม่ใช่พุทธะตรัสแน่นอนในส่วนที่ว่ากายกรรมเป็นโมฆะวิจีกรรมเป็นโมฆะนี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละถึงแม้ว่าสมาบัติที่บุคคลเข้าแล้วไม่สวยเวทนาอะไรๆเนี่ยในคำสอนของพุทธนี่ก็คือสัญญาเวทะยิตานิโรธนั่นคือสมาธิขั้นที่9้าเลยขั้นที่สูงที่สุด ที่เฉพาะพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่มีความสามารถในด้านวิโมกสมาบัตินี่เขาจะเข้ากันได้เท่านั้นเนี่ยนะมีอยู่แต่ว่ามีส่วนที่ไม่ถูกอยู่ท่านพระสมิตีก็บอกว่าไอ้นนี้ไม่ใช่ละไม่ถูกละอย่ามากล่าวตูพระพุทธเจ้าและการกล่าวตูพระพุทธเจ้าในตะมุฟังมันไม่ดีมากๆอะไรที่บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนหรือบอกใว้บัญญัติไว้ แต่จริงๆท่านไม่ได้สอนไม่ได้บอกไว้ไม่ได้บัญญัติไว้เนี่ยอันนี้เป็นกรรมหนักนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ซึ่งการอธิบายกับการบัญญัตินี่ไม่เหมือนกันนะคือบางทเาีเรายกเรื่องราวในแง่ปริยายอื่นๆมาอธิบายเรื่องของอริยสัจสี่เนี่ยอันนี้มันยกกันมาเพื่อที่จะอธิบายเพื่อที่จะนำเข้าสู่ตัวแม่บทเนี่ยได้อยู่แต่ว่าการที่บัญญัติขึ้นใหม่เป็นสัจธรรมปฏิรูป แล้วบอกว่านี้เป็นคําสอนของพุทธเป็นศาสนาพุทธเหมือนกันเนี่ยอันนี้มั่วละเราเกิดมาในสมัยนี้ท่านผู้ฟังเราต้องมีการแยกแยะแจกแจงให้ออกซึ่งในตัวอย่างเนี่ท่านผู้ฟังเป็นการแจกแจงให้เป็นตัวอย่างให้ดูโบตัลิยะปริภาชค ก, ก็เลยถามคําถามชงขึ้นใหม่บอกว่าการกระทํากรรมนั่นคือกรรมนะการกระทำนะด้วยกายวาจาหรือใจแล้วเนี่ยจะสวยผลเป็นอะไร สิ่งในที่นี้ท่านพระสมิทธิก็ตอบว่าสเสวยผลเป็นทุกข์บริปชกนั้นก็ไม่ได้อนุโมทนายินดีหรือไม่ได้คัดค้านก็ลุกเดินไปท่านพระสมิทธินํำก็ความนี้ไปคุยบอกเล่าให้ท่านพระอนุนฟังท่านพระอนนุ์นนนก็เลยชวนกันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งสองพอได้รับทราบเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็เลยทํานองว่าตําหนิท่านพระสมิทธิ จ, จะว่าตำหนิก็ไม่ใช่หรอกคือหมายคว่าแบบเตือนกันนะเพราะว่าคำว่าโมฆะบุรุษเนี่ยใช้ในหลายนายันยนัยจะด่าว่าก็ได้หรือนัยน์ที่จะยกเอาไว้โมฆะเนี่ยหมายถึงว่าความว่างความกลวงความเปล่าความไม่มีอะไรอาจจะใช้หมายถึงกรณีที่แบบคนหัวกลวงด่าอย่างนี้ก็ได้นะหรือจะใช้ในกรณีที่แบบะยกไว้ก่อนยกไว้ในลักษณะที่จะมาพิจารณากันแต่ซึ่งในที่นี้ พระพุทธเจก็ยกไว้ว่าพระสมิติเนี่ยพยากรปัญหาโดยไม่แยกข่ายแต่สิ่งที่ควรจะแยกแยะพยากรแยกแยะตอบว่าเอกรรมทําทางกายวาจาใจเขาถามมาแยกแยะเนี่ยเราอย่าไปตอบเหมาว่าอากรรมกายวาจาใจนี่ได้ผลเป็นทุกข์ทั้งหมดอันนี้คือตอบเหมาตอบรวมเขาถามมาแยกแยะทําไมไม่แยกแยะให้เขาเห็นอันนี้คือลักษณะที่ต้องมีการแยกแยะตามบุฟังในคําสอนของพระ ผู้มีพระภาคเนี่ยคำว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องมีการแยกแยะแจกแจงเราฟังเรื่องใดมาดับหวังหรือว่าในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเนี่ยต้องแยกแยะแจกแจงแต่สิ่งที่ถูกก็แยกไว้ว่ามันถูกสิ่งที่ยังไม่ถูกก็แยกแยะไว้ว่ามันไม่ถูกสิ่งไหนที่มันยังลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้อันนี้ก็แยกแยะเอาไว้แต่ต้องมีการแยกมีการแจกแจงย้ำเหมา เน่ยเช่นบางคนนี้เขาพูดมาในประโยคหนึ่งในประโยคนี้ส่วนที่ถูกก็มีส่วนที่ไม่ถูกก็มีก็อย่าคิดว่ามันจะถูกทั้งหมดหรือว่าอย่าไปเมาวรวมว่ามันผิดทั้งหมดจะต้องมีการแยกแยาแจกแจงบุคลิกของคนก็เหมือนกันนะบ่าวฟังบางคําพูดคําจาพูดด้วยจิตที่เป็นโทสะโมหะมีราคะมันก็ออกมาแบบหนึ่งบางครั้งบางคราวจิตเข้าดีมันก็ออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งเราจะต้องมีการแจกแจงให้ฟังซึ่งพอพระพุทธเจ้า ตำนองว่าตำหนิท่านพระสมิทธิ ท, ที่พยากรณหรือตอบปัญหาโดยงแง่เดียวอย่างนี้แล้วอยู่ๆนะตอนนั้นท่านผู้ฟังพระอุทายีหรือว่าโลลุทายีเนี่ยละคือมันชื่อทั้งสองชื่อนี่นะเป็นคนเดียวกันก็ลุกโผล่ขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังมาเหมือนกับว่าแก้ต่างให้แทนแต่ว่าจริงๆแล้วมันถูกหน้าเพราะว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมาสวยอารมณ์มีการสวยอารมณ์เป็นเมตนาแล้ว ก็ต้องจัดเข้าในทุกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตำหนิท่านพระอุทายีละว่าการพูดโผล่ขึ้นโดยไม่แยบคายไม่ข อ, อการให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่ดีนะจริงๆแล้วคำถามเนี่ยถ้าเขาชงถามมาแยกเป็นกายวาจาใจเราควรจะตอบแยกให้เห็นชัดเจนซึ่งถ้าเราจะตอบแยกให้เห็นชัดเจน พระพุทธเจาทำตัวอย่างให้ดูทำบุฟังในเรื่องมหากรรมวิพังกสูตรนี้ในแยกเป็นสมส่วนพูดถึงเรื่องของสุข ท, ทุกข์และอัตุขกรรมสุขนะสุ ข, สขถ้ามีการกระทําอันเป็นที่ตั้งให้ความสุขผลคือสุขเบทนาก็จะเกิดถ้ามีการกระทําทางกายวาจาใจเป็นที่ตั้งให้ความทุกข์ผลคือความทุกข์ก็จะเกิดการกระทําทางกายวาจาใจอันเป็นที่ตั้งเห็นความที่มันจะไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข อทุกขมสุขเวทนาก็จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นผลแต่นี่ว่าคำตอบของท่านพระสมิติเนี่ยจะว่าผิดก็ไม่ใช่เพราะว่าใ น, ร น, นพระสูตรอื่นๆนผูฟังพระพุทธเจ้ า, าเคยตรัสบอกว่าเวทนาทั้งหลายเนี่ยรวมลงประชุมลงที่ความทุกข์ธรรมทั้งหลายมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงซึ่งเวทนามันเป็นทุกข์อยู่แล้วจึงหมายมันเป็นหนึ่งในขันต์ทั้ง5ซึ่งเป็นทุกขาริยาสัตย์ เป็นดงการที่ท่านพระสมิธิตอบว่าเออกรรมทั้งหลายรวมลงในความทุกขเนี่ยซึ่งเป็นผลเนี่ยก็ไม่ผิดอะไรนะไม่ผิดอะไรแต่ไม่แยกขายไม่ได้แจกแจงโดยละเอียดแต่เพียงตอบโดยแง่เดียวเพราะว่าถ้าเราจะแจกแจงแยกแยะ ก, ก็อย่างที่พระพุทธเจ้าทาตัวอย่างให้ดูนี้นะสุขทุกข์อะตุกรรมสุขหรือว่าถ้าจะแยกแยะแจกแจงไปในลักษณะที่เป็นกรรมขาวกรรมดำํากรรมไม่ดาไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม เพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่ากรรมทั้งหมดมันเป็นไปเพื่อความทุกข์แต่ว่ากรรมที่ทําให้สิ้นทุกข์มันก็มีตรงนี้จึงมีความที่มีหลายแง่หลายมุมซึ่งการแยกแยะออกเป็นสามอย่างเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าตอบขึ้นมาเพื่อที่จะทําความเข้าใจในคําอุทานขึ้นของท่านพระอุทายีตรงนั้น น, นว่าเอาแต่เขาถามมาสเกี่ยวกับเรื่องกายวาจาใจ แยกแยะแจกแจงออกเป็นเวทนาคือสุขทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ได้แต่ว่ามันยังมีการจำแนกแจกแจงกรรมแบบใหญ่หรือแบบละเอียดเรียกว่ามหากรร ม, มวิพังซึ่งพระตถาคตเนี่ยรู้อยู่การจำแนกแจกแจงกรรมแบบใหญ่ซึ่งในที่นั้นท่านพระอานนท์ธรมฝังก็จึงฉวยโอกาสนี้เลยว่าอ้านี่เป็นโอกาสดีละพระพุทธเจ้าจะได้ แสดงทำเรื่องมหากรรมวิพังในะซึ่งตรงนี้จึงเป็นชื่อของพระสูตรนี้ธรรมพังคือแทนที่จะแยกแยะ ก, กรรมออกเป็นสาอย่างคือสุขทุกข์หรืออทุกข์มสุขซึ่งเป็นผลของการนั้นแต่พระพุทธเจ้าแยกอีกแบบหนึ่งเป็น4ี่อย่างซึ่งเป็นการส่องให้เห็นว่าการรมนี้มันควรก็มีาการรมนี้มันไม่ควรก็มีที่พระพุทธเจ้าแยกแยะแจกแจงเป็น สอย่างเนี่ท่านผู้ฟังในความเป็นข้าพเจ้านั้นเพราะว่าความแยบคายความละเอียดลึกซึ้งในเรื่องของญาณทัศนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากจริงๆทำให้ท่านชี้ประเด็นมาตรงนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่บางทีพระพุทธเจ้าท่านก็หลีกเลี่ยงที่จะตอบคือไม่ตอบกับพวกปริปาชกทั้งหลายเพราะว่าปริปาชคทั้งหลายเนี่ยบางทีเขาก็มีญาณทัศนะในการรู้การเห็นอยู่แต่เขาจะไม่ละเอียด ไม่แยบคายไม่รัดกลุ่มเท่ากับของพระพุทธเจ้าซึ่งเรื่องนี้ท่านจึงแ ย, ย, ย่ๆแจกแจงให้เห็นแต่เรื่องเดิมในพระสูตรอื่นๆนั้นบังแต่มีโอกาสข้าพเจ้าจะนํามาให้ฟังที่มีพราหมณ์คนหนึ่งเขาเห็นว่าคนทําอกุศลทําไม่ดีเนี่ยนะแล้วปรากฏไปสวรรค์คนที่ทํากุศลคือทำดีเนี่ยแล้วปรากฏไปนรกเขาก็มาถามคําถามนี้กับพระพุทธเจ้าว่าไอ้ทำไมเป็นอย่างนั้น พระบุตชาก็ไม่ตอบในคำดามนั้นซึ่งในพระสูตรนั้นก็มีเฉลยอยู่อย่างย่อๆไม่ละเอียดละเอียดอยู่พอให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นได้ทีนี้ในพระสูตรนี้ก็อธิบายตรงจุดนี้แหละทัมโมฟังที่ว่าคนเราเนี่ยมีอยู่4ประเภทคือทำกุศลมาบางคนทำสิ่งที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พระพิปิดในกรรมไม่กล่าวเทศไม่พูดจ่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่มีความเพ่งเล็งไม่พยายามบัตรแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิพูดง่ายๆคือกุศลกรรมบททั้งหมด10อย่างกับกลุ่มที่สองเดี๋ถ้าเราจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกทำกุศลกรรมบท10อย่างกลุ่มที่2องทำอกุศลกรรมบด ท, ทั้งหมด10อย่างนนใน2กลุ่มนี้เอากลุ่มที่ทำอกุศลขึ้นมาก่อนเดีจะไล่ไปที่ละล ำ, ด, ำดับนะทบาทามวังนะคนที่ทำอกุศล น, น, น, นี่คือประเภทแรก แล้วไปตกนรกอันนี้มีอยู่แต่ว่าคนที่ทำอกุศลแล้วไปสวรรค์ก็มีอยู่นะมีอยู่เออมันมีอันนี้คือประเภทที่2ในกลุ่มแรกประเภทที่3นี่เริ่มกลุ่มที่สองละ ว, ว่าคนที่ทำกุศลธรรมทำสิ่งที่ดีททางกายวาจาใจแล้วไปสวรรค์ไปสวรรค์นี่มีนะประเภทที่สามแล้วประเภทที่4ก็ทำกุศลธรรมนี่แหละ ทำสิ่งที่เป็นความดีทางกายวาจาใจเอสแต่ว่าไปตกนรกไงไปตกนรกนี่คือกลนสี่ประเภทนี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกเอ้าทาไมเป็นอย่างงั้นในที่นี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจะดึงตรงจุดที่สำคัญมาบอกก่อนเลยเพราะว่าคนที่เขาไปตกนรกเนี่ยเพราะว่าเขามีกรรมชั่วในการก่อนหรือว่ามิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นพร้อมสมาทานพร้อมตอนก่อนตายนั้นคือจิตที่ก่อนตายเนี่ย ได้มีมิจฉาทิฐิเกิดขึ้นพุ่งไปนรกเลยหรือว่ากรรมชั่วในการก่อนมันมาให้ผลตรงนี้ในการก่อนหรือในการอื่นๆอาจจะเป็นสิ่งที่เขาทําในปัจจุบันนั้นหมายถึงในชาตินั้นหรือว่าอื่นๆในชาติอื่นๆที่เขามีมาก่อนเนี่ยมาให้ผลนจุดที่เขาจะตายในชาตินั้นทําให้เขาไปนรกไม่ว่าเขาจะทํากุศลหรืออกุศลมาในชาตินั้นก็ตามแต่ชาติก่อนๆในภายหลังๆที่ผ่านมาผ่านมาเนี่ย มีสิ่งที่เป็นกรรมชั่วอยู่ก่อนก็จะทำให้เขาไปนรกได้ในขณะที่คนที่ไปสวรรค์เนี่ยก็อาจจะทำไม่ดีมาในชาตินี้แต่ว่ากรรมดีในการก่อนกรรมดีในการก่อนนะหรือว่ามีสัมมาทิฏิเกิดขึ้นมีการพร่งพร้อมสมาทานให้เกิดขึ้นในเวลาก่อนตายก่อนตายตรงนี้ทำให้เขาไปดีได้ทำให้เขาไปสวรรค์ได้ด้เพราะ่ากรรมดีที่เคยทำมาใน การปัจจุบันคือชาตินั้นหรือในชาติอื่นก่อนก็เนี่ยมันมาให้ผลตรงนั้นพอดีทาให้ไปเกิดในสวรรค์ได้ส่วนกุศลหรืออกุศลที่ทาในชาตินั้นๆที่ทำในชาตินั้นนะจะต้องได้ผลแน่นอนซึ่งผลที่จะได้รับอาจจะได้รับในชาตินี้ในชาติหน้าหรือในชาติต่อต่อไป ต, ตรงเนี้จะมีการจําแนกออกมาว่าให้กรรมที่ไปกาเนิด กรรมที่พาไปเกิดเนี่ยจึงมีการอธิบายตรงนี้ว่าเป็นชนะ ก, ะกรรมหรือว่ากรรมที่พาไปเกิดก็มีอันนี้เป็นการอธิบายเพื่อที่จะบอกถึงความสาคัญตรงนี้ว่าจุดที่คุณจะตายแล้วคุณจะไปเกิดเนี่ยกรรมอะไรที่มันจะมาให้ผลตรงนี้คุณจะไปเกิดดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การให้ผลจังหวะนั้นของกรรมนั้นๆด้วยถ้ากรรมชั่วมาให้ผลในจังหวะที่จะไปเกิดนั้นๆตรงนั้น อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำในชาติปัจจุบันนั้นหรือในอดีตชาติมาให้ผลตรงนั้นที่มันจะพาไปเกิดในกรรมชั่วเนี่ยคนนั้นคุณก็จะเป็นนรกแต่ถ้าเป็นกรรมดีเน่เป็นชนะ ก, ร, กรรมคือกรรมการพาไปเกิดเนี่ยมันเป็นกรรมดีที่ให้ผลมาจากในชาติก่อนๆหรือในชาติปัจจุบันนั้นก็จะไปดีได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของกรรม12ที่เราอาจจะเคยได้ยินมาคำว่า หนึ่งในนั้นคือเรื่องของกรรมที่พาไปเกิดหรือว่าชนะกกรรมเนี่ไม่ได้เป็นการบัญญัติใหม่นะแต่ว่าเป็นการอธิบายเหตุการณ์หรือว่าวิบากของผลของกรรมที่มีการแยกแยะแจกแจงตัวนี้แล้วกรรมที่บุคคลนั้นนั้นกระทําในชาตินั้นนั้นจะต้องได้รับผลแน่นอนนั้นได้รับผลในชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติต่ อ, ตอไปอยู่ทีว่ามันมีน้ําหนักมีความสําคัญมีความให้ผลในลักษณะ อย่างไรอย่างไรอย่างไรก็ตามทั้งหมดควางประเด็นที่สาคัญในที่นี้ก็คือว่าบุคคลที่เขาเป็นสี่ประเภทเนี่ยนี่คือลักษณะของการให้ผลทีนี้คนอื่นที่เขาไปเห็นมีสมณพราหมณ์พวกที่มีฤมีความสามารถพิเศษที่เกิดจากการที่เขามีสมาธิมีความไม่ประมาทมีความเพียรจนกระทั่งได้สมาธิแล้วมีญานาทศนะในการเห็นนัา ง, งังก็เลยไปเห็น คนทั้งสี่ประเภทนี้ประเภทใดประเภทหนึ่งเอาคนทําชั่วแล้วไปตกนรกเออเขาก็เลยมีความเห็นว่าเออใช่กรรมชั่วมีวิบากของทุจริตมีแต่บทเหตนอย่างนี้ก็ดีมีทีนี้ประเภทที่นั้นไปเห็นคนที่ทําชั่วแล้วกลับได้ไปสวรรค์เขาก็เลยมีความคิดว่าเ อ, าเอา๊ะกรรมชั่วไม่มีนะทาชั่วแล้วไม่เห็นได้ไปชั่วเลยไม่เห็นได้ไปไม่ดีเลยกรรมชั่วก็ไม่มีวิบากของทุจริตก็ไม่มี ในคนที่สอนแบบนี้ก็มีแล้วพวกที่เห็นว่าทําดีแล้วใบสวรรค์มันก็บอกว่าเออกรรมดีมีวิบากของสุจริตมีผลพูดแบบนี้ก็มีแล้วพวกที่ไปเห็นว่าคนทําดีทํากุศลแล้วไปตกนรกเนี่ยเฮ้ยก็เลยทําให้เขาเกิดความเชื่อว่าเพราะงั้น ร, รมดีไม่มีหรอกวิบากของสุจริตไม่มีหรอกในทั้งสี่พวกที่ไปเห็นเนี่ยตัมูฟังพระพุทธเจ้าจะอนุมัตินะคือรับรอง รับรองพวกที่มีความเชื่อว่ากคำชั่วมีวิบากของทุจริตมีกรรมดีมีวิบากของสุจริตมีแต่พวกที่บอกว่ากรรมชั่วไม่มีวิบากของทุจริตไม่มีกรรมดีไม่มีวิบากของสุจริต ไ, ไ, ไม่มีเนี่ยอันนี้พระพริชาไม่อนุมัติคือไม่เห็นด้วยคัดค้านอยู่เพราะว่ายังไงกรรมธรรมบังต้องให้ผลแน่นอนแต่ความละเอียดของญาณทัศนะนตรงนี้ไงที่คนที่เขาไม่ละเอียด ไม่รอบคอบไม่รัดกุมมีความละหลวมในยานทัศนะไม่เห็นแจ้งแทงตลอดว่าเอ้ไอ้ตอนจังหวะที่เขาจะไปเกิดเนี่ยกลับมีกรรมที่ดีหรือไม่ดีในการก่อนๆแต่นั้นมาให้ผลหรือว่าสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิที่มีความร่งพร้อมจเจริญขึ้นในก่อนที่เขาจะตายเนี่ยมันไม่ให้ผลตรงจุดนั้นเขาไม่เห็นละเอียดตรงนี้เขาไม่เห็นละเอียดตรงนี้ ทำไมเขามีความเข้าใจไปว่าคำดีคำชั่วไม่มีวิบากของสุจริตทุจริตไม่มีซึ่งเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะคนเรามีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะบ่ฟังด้วยสิ่งที่ตัวเองรู้เองเห็นเองเนี่ยทำให้มันเกิดความไปยึดถือขึ้นมาแต่ความไปยึดถือตรงนี้เกิดจากตันหาวิชาแล้วก็พวกอุปาทานความยึดถือเกิดขึ้นก็เลยทําให้ไปยึดถือแล้ตอนนี้ว่าโอ้มันต้องเป็นเท่านี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ กรรมดีต้องได้ดีสิทำไมฉันทำกรรมดีแล้วไม่ได้ดีทุกคนมันน่าจะต้องเป็นอย่างนี้นะมีความยึดถือในสภาวะนี้อันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นปิดหมดเนี่ยถ้าคุณยึดถื อ, อนี้นะมันจะเป็นทุกข์อย่างพวกที่โอ้ยทาดีทั้งชาติมาตลอดศกทำไมให้ชีวิตมันตรากตราดรา ม, มา่ามีความทุกข์มากเหลือเกินอันนี้พระพุทธเจ้าก็อธิบายไว้ในอีกพระสูตรหนึ่งเลยเรียกว่า ธรรมะสมาทานสูตรเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังในรอบต่ อ, ตอไปล่ะว่าบางทีมันให้ผลเป็นความทุกข์ก็ยังมีอยู่เพราะว่าผลของกรรมไม่ดีมันอาจจะยังให้ผลอยู่ในตอนนี้มันยังอุปธรรมค้ำชูอยู่ทําไมกรรมดีที่เราทําไปอาจจะเมื่อวานนี้ปีที่แล้วศตวรรษที่แล้วมันยังไม่ได้ให้ผลมันก็เป็นไปได้แต่ความที่เราจะไปฟันธงว่าอันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่า แล้วต้องเกิดเก้นกับทุกคนอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิดหมดเนี่ยเป็นความเห็นเป็นความคิดเป็นคําพูดที่ไม่ถูกต้องนี้คือลักษณะเหมาเหมือนกันนะเหมารวมรวบหมดแตนะ่ไม่ได้แยกแยะเป็นกรณีเป็นกรณีซึ่งตรงนี้จึงเป็นตัวอย่างในฝังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยคมมากรอบคอบมากรัดกุมมากไม่มีความหลัะหลวมเหมือนอย่างราชสีตรักบุบเหยื่อ นะรัฐกุมรอบครอบไม่หลาหลวมในการแสดงธรรมแยกแยะแจกแจงให้เห็นธรรมบังวัลว่าเราอย่าไปยึดถือในความเห็นใดความเห็นหนึ่งละว่าอันนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้เราต้องระวังให้ดีธรรมบังวัลเพราะว่าถ้าเรามีความยึดถือในทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่งหรือแม้แต่ยึดถือในมรรคแปดเอา้าถ้าเรามายึดถือว่ากรรมดีมี วิบากสุจริตมีกรรมชั่วมีวิบากทุจริตมีแล้วเรามายึดถือว่าอันเนี้ยเท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าอย่างอื่นผิดหมดแล้วต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอันนี้เราจะเกิดความทุกข์นะเราจะเกิดความทุกข์ได้ที่ทุกข์นั้นเพราะอะไรทุกข์นั้นเพราะความยึดถือในความจริงนั้นไม่ใช่ว่าความจริงนั้นไม่ดีนะความจริงนั้นมันเป็นตัวของมันอยู่อา ง, งานอยู่แล้วมันเป็นลักษณะที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่เหตุปัจจัย ในการที่จะเกิดในการที่มันจะพานำไปเกิดตรงนั้นเนี่ยมันมีมาแบบไหนซึ่งอาจจะเกิดจากการกระทําในชาติปัจจุบันนั้นหรือในการก่อนก่อนก็ตามเนี่ยหรือในการที่มันจะก่อนตายเข้าได้เข้าเข็มตรงนั้นเนี่ยแล้วมีอะไรมาให้ผลเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วแล้วจะให้ผลไปเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของการกระทําตา ม, ตามเหตุตามปัจจัยของมันเป็นลักษณะที่เป็นอ น, นัตตาอยู่ละ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยท่านผู้ฟังไม่ควรที่จะไปยึดถือเอาไว้ไม่ควรที่จะไปยึดถือเอาไว้เพราะความยึดถือนั้นจะทําให้สิ่งนั้นกลายเป็นความทุกข์สิ่งนั้นจะทําให้มันหนักในจิตของเราแทนที่ธรรมะท่านผู้ฟังพอเรารู้แล้วเรียนแล้วเออมันน่าจะเกิดความเบาไงแต่มันเกิดความหนักเพราะความยึดถือแต่พอเรารู้แล้วเรียนแล้วเข้าใจให้ถูก เข้าใจในเรื่องของกรรมเนี่ยให้ถูกว่ากรรมดีมีนะกรรมชั่วมีนะวิบากสุจริตวิบากทุจริตมีนะแต่ไม่ยึดถือในความเห็นนี้เท่านั้นว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าทุกคนต้องเป็นแบบนี้แล้วเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเราไม่ยึดถือคือมีปัญญาตรงนี้แล้วนะไม่ยึดถือแล้วนะมีปัญญาแล้วนะเออความรู้ธรรมะตรงเนี้จะไม่เกิดความเบาขึ้นในใจทํำไมถึงเบาเพราะมันจะวางทํำไมถึงวางได้ เพราะมันจะคลายกำหนัดตรงไหนที่กำหนัดตรงความยึดถือนั่นแหละตรงไหนที่มีความเป็นอนัตตาความยึดถือมันจะติดตรงนั้นแต่ถ้าเรารู้เราเห็นจริ ง, รงๆแล้วว่าเออมันมีเหตุมีปัจจัยของมันนะไม่ใช่ว่าอันนี้เท่านั้นจริงอันอื่นเปล่าแต่มันตามเหตุตามปัจจัยเรามีความเข้าใจตรงนี้แล้วความยึดถือมันติดอยู่ไม่ได้เพราะไม่ยึดถือคลายกำหนัดด้วยเหตุปัจจัยจากการที่เห็นตามที่เป็นจริงมีความเข้าใจในเรื่องของกรรมอย่างถูกต้องแล้วมันจะเบาตามหวัง พอคลายกำหนัดหนายแล้ววางแล้วมันจะเบาเบาแล้วมันจะเย็นการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมะตัรระ้งมืฝังไม่ใช่เพื่อที่จะยึดถือคมขียกตนข่มท่านไปล้มล้างความคิดหรือบุคคลอื่นให้เป็นไปในทางไหนไหนแต่ว่าให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปละความยึดถือละความกำหนัด ที่อยู่ติดกับสิ่งนั้นๆความรู้ความเรียนความเข้าใจระเบิฟังมันกำหนัดติดได้ทั้งนั้นละ่ะเราจะละความกำหนัดความติดความยึดก็ละได้ที่ตรงความรู้ความเข้าใจนี่แหละมันจะไปติดตรงไหนละมันตรงนั้นมันจะไปยึดตรงไหนวางมันตรงนั้นมันจะไปถือตรงไหนปล่อยมันตรงนั้นจะปล่อยได้ละได้วางได้ละวางเนี่ยคือละที่ตันหาระเบิดฟังไม่ใช่ไปละ สิ่งที่เราจะไปยึดแต่ละที่ตัณหาไม่ได้ไปละที่ขันธ์ห้าไม่ได้ไปวางที่ขันธ์ห้าไม่ได้ไปปล่อยที่ขันธ์ห้าแต่ปล่อยที่ตัณหาตัวนี้พอเราปล่อยเจ้าตัณหาเพราะมีความเข้าใจในเรื่องของกรรมอยู่อย่างถูกต้องอย่างนี้แล้วมันก็จะทำให้เกิดการพ้นจากเจ้าเรื่องของขันธ์หาทั้งหมดได้เรื่องของกรรมทั้งหมเป็นเรื่องที่เราจะต้องสอดส่องให้เห็นให้ดี การสอดส่องตรงนี้แหละาะบูฟังที่จะอาศัยกรรมที่ควรแล้วมาสอดส่องดูให้เห็นก็ได้จะอาศัยกรรมที่ไม่ควรแล้วมาสอดส่องดูให้เห็นก็ได้กรรมที่ควรจะมาสอดส่องดูให้เห็นคือกรรมที่เป็นสุจริตทั้งหลายในการประพฤติชอบทางกายวาจาใจเป็นกรรมที่ควรนะแล้วมาส่องดูให้มันเห็นกรรมที่ไม่ควรคือสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลาย พูดด่าเขาว่าเขาเน็บแนมเขาประพฤติไม่ดีทางกายหรือทางใจอันนี้เป็นกรรมไม่ควรนะเอามาสอดสองให้เห็นก็ได้เห็นอะไรให้เห็นสิ่งที่มันควรในประวังเพราะว่าถ้าคนทําดีแล้วไปดีเนี่ยเออนี่มันควรอยู่เร า, เากรรมดีนี้มาสอนให้เห็นสิ่งที่ควรนี้วันนี้มั น, ม, นมันควรกระทานะเราเอากรรมไม่ดีคือกรรมไม่ควรเนี่ยเป็นบาปเป็นอกุศลมาเห็นให้สิ่งที่ควร คือเขาไปนรกเออการกระทำไม่ดีไปนรกนะการกระทำไม่ดีนี่มันไม่ควรทำแล้วเห็นว่าเออมันไปนรกเออนีมันควรจะเป็นยางนั้นให้เห็นสิ่งที่ควรตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีเราควรเอากรรมที่ไม่ควรและควรเนี่ยมาสองให้เห็นสิ่งที่ควรในกระดาษเดียวกันท่านผู้ฟังก็อย่ายึดติดอย่างโง่แต่ให้รู้ให้ฉลาดรอบคอบรัดกลุมแยกแยะไม่ละหลวมรอบคอบ ว่าสิ่งที่มันไม่ควรมันก็มีนะแง่มุมแบบนี้บางทีการให้ผลความละเอียดลึกซึ่งมันเกิดขึ้นได้อ้าวคนทํากรรมที่ควรเป็นกุศลธรรมแต่ได้ผลเป็นผลไม่ควรก็มีอะทองให้เห็นว่าเอ้ยเขาเป็นนรกแฮะเป็นแบบนิ่มก็มีเพราะว่าเหตุปัจจัยมันให้มาเป็นอย่างนี้กรรมที่ไม่ควรทองให้เห็นว่าไม่ควรเอาคนทําไม่ดีทําบาปอกุศลธรรมกลับได้ไปสวรรค์มันไม่ควรแบบนี้ก็มี ให้เราเห็นแล้วเนี่ยให้เกิดความฉลาดตั้งแต่วังเกิดความฉลาดในการที่เรารู้จักจะแยกแยะแง่มุมตัวนี้เพราะว่าถ้าไม่ฉลาดในการแยกแยะแล้วเนี่ยไม่ฉลาดในการที่จะเห็นให้คมรอบคอบไม่ละรวมแล้วเนี่ยประี่มันมีความยึดถือในความเห็นต่างๆเหล่านี้ได้บุคคลที่มีความเข้าใจในเรื่องกรรมในลนักษณะเรื่องของมหากรรมวิพังคสูตรแล้วเนี่ยทัางแต่วังเขาก็จะมีความไม่พูดมัว่วละ ไม่พูดเมาละแต่จะมีการแยกแยะพูดในศาสนานี้ต่อไปฝังในพุทธศาสนาคือคําสอนของพุทธะเนี่ยเราต้องแยกแยะพูดแยกแยะจําแยกแยะเข้าใจให้เห็นถึงสิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควรเห็นถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรแล้วให้ทําสิ่งที่ควรทำต่อไปฝังสิ่งที่ควรทําคือเรื่องของกุศลธรรมทั้งหลายทางกายวาจาและใจ ให้เว้นสิ่งที่ไม่ควรทัางแต่วังสิ่งที่ไม่ควรนั้นก็คือบาปขุศน ล, ละทำทั้งหลายทางกายวาใาและใจพอเว้นสิ่งที่ควรเว้นทําสิ่งที่ควรทําแล้วผลมันจะออกมาโดยควรหรือโดยไม่ควรเนี่ยตัรร้งแต่วังเราสบายใจได้เพราะเราได้ทําสิ่งที่ควรทําแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงเนี่ยตั้งแต่วันมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่ดี ซึ่งเหตุซึ่งปัจจัยนั้นมันก็เป็นไปตามการกระทำอยู่ดีที่ทํำร่างพร้อมสมาทานแล้วในช่วงก่อนตายหรือว่าที่สะสมแล้วมันมาให้ผลนะจุดนั้นๆ น, น, นั่นเองผลมันจะออกมายัางไงทำงไมฝันตราบใดที่เราเว้นสิ่งที่ควรเว้นให้เราสบายใจได้เลยเราไม่ต้องไปคาดหวังถึงผลว่ามันจะได้ออกมาเป็นอะไรแต่ถ้าเราสร้างเหตุที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมแล้วนั่นแหละนั่นแหละจะนำความสุข ความสมหวังความเบาความเย็นคือ น, นิพพานมาสู่จิตใจของเราได้แน่นอนและถ้าทานผ้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งมาเป็นจดหมายหรือว่าไปสนิยบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตํตำบลดอนหายโศกอาเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ส หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปดีเพียวทคียู e อารีดีเอชเมเอเอ็มเอดอทข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรอาพิปุนโนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนจญได้พบ